รักตังสมังขลังสุปปพาตังสมหุหทิตังสุขโนสมหุหตัวจะตุยถัมพรมาจาริสุ ป, ปะทักทินังกายละกัมมังวายากรรมังปทักทินังปะทักทินังมโนกรรมังพระบรมศาสดา ย, ยืนยันว่าท่านทั้งหลายประพฤติดีในเวลาใดเวลานั้นแหละเป็นเลิกดี ครูดียามดีของพททันนลายใระพุทธศาสนามีศีลบริสุทธิ์ที่นี่ก็คือศีลห้าไม่ถือบงคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงหาเหตบุญนอกพระพุทธศาสนาคือในาศาสนาอื่นๆไม่ไปสแสวงหาเหตบุญเลย นอกจากศาสนาพุทธแล้วอัญญัติซับทุเทศไม่ยอมถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าประการคือเว้นจากวิบัติท่าประการดังกล่าวแล้วนั้นซึ่งวิปภริจากสมบัตินั้น สมบัติของอบุบาสอุกาห้าประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธรธรรมประสงค์เชื่อมรรผลในพานของพระพุทธรธรรมประสงค์ว่าเป็นของจริงไม่ใช่ของหลวงโลกผู้เอาไปลวงมันก็เป็นเรื่องแต่ละลายของบุคคลไม่ใช่ธรรมะของพระองค์แท้ไปลวงเป็นเรื่องของบุคคลหรือพรกพวกต่างหากแลจะมาเอาไปหมดก็ไม่ถูก ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลไม่แสวงหาเศษเคบุลนนอกพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาตั้งอยู่ในสมบัติห้าประการนี้ไม่เสียดายจะล่วงละเมิดเพราะถือว่าเป็นทรัพย์เพราะถือว่าเป็นศินถ้าล่วงละเมิดสิ่งเหล่านี้แนละ้วกค็ค้ายกับว่าประมาทตนเองพระโสดาบันต้องถืออย่างนั้น ถือว่าทำลายตนเองถือว่าทำทรัพย์สินของตนให้เสียไปถือว่าไม่รักษามรดก ข, ของตนที่พระพุทธเจ้าทรงแจกให้ถือว่าประมาทมรดก ข, ของพระบรมาศาสน า, ศ า, ศารือพระพุทธ ส, สามพันธ์หรือพระพุทธศาสนาเราเห็นของดีว่าเป็นดีเพราะเราไม่เป็นไก่แจ้รับพอย การเห็นพระพุทธศาสนาการได้พบปะสังสงรรค์ได้ปฏิบัติถือว่าได้เพศได้พลอยแล้วไม่เหมือนไก่แก่ไก่แก่ตัวหนึ่งคุยเคี้ยาอาหารไปพบพลอยเม็ดหนึ่งงามดีมีค่ามากจึงพูดเปลยๆขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้แล้วเขาจะเจ็บเจ้าไปฝังดวยในหัวแหวนตามเดิมนี่ไม่มีประโยชน์อะไร ตู้แต่เข้าสูข่ข้าวสารมเมล็ดเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเคี่ยวไปในแปลง อ, อื่นอนิทานเรื่องนี้อนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ฉันใดก็ดีเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ร, รู้จักประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วไม่เป็นไก่แจ้ีน้ คุณพิเศษของพระโสดาบันยังมีอยู่อีกมากถึงจะมีโกรธอยู่ก็าตามพระโสดา บ, บันไม่ผูกเวรกับท่านผู้ใดเหตุฉะนั้นจึงปิดอบายกัภูมิเสียแล้วมีจะผููมาทําผิดสักเพียงไหรก็าตามถึงน้ํำสาไหลก็าตามพระโสดาบันไม่ผูกโกรธ ไม่จองเวรกูจะเอามันแงมันนั่นกูจะเอามันแงนี่ไม่ได้ท่านั้นกูจะเอามันท่านี้หรือจะทำให้มันเสียสชื่อเสียงอิสรภาพโดยประการใดประการหนึ่งไม่มีในพระสวสดาบันสุดท้ายก็ลองเอ่ยว่าถ้าหากว่าเราได้ทาเขาแต่ปวกคนก่อหรือเขามาก่อใหม่ก็ดีในใจของพระสวสดาบันก็ต้อง วางเวรวางภัยอยู่เสมอขอให้แล้วกันไปฉเสียข้าพเจ้าจะไม่ตอบแทนต้อง น, นึกในใจอย่างนี้ถึงจะไม่พูดออกก็ตามไม่สามารถจะตอบเวรตอบภัยของท่านผู้ใดนี่ภูมิของพระโสดาบันถ้าหากว่าเป็นสามีของเขาแล้วถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายถ้าหากว่าเป็นภรรยาของเขาหรือไมนหรือเขาคงเห็นแล้วเขาจะมารักสักเพียงใดก็ตาม เขาจะให้เงินเต็มเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินกอดตามพระโสะดาบันไม่ยอมเอาไม่ยอมรับไม่ยอมร่วงประเวณีพระถือว่าทำลายโลกุตระของเราและไม่เสียดายอีกด้วยไม่เสียดายอยากเอาพระถือว่ามันเป็นธรรมันที่ไม่ควรล่วงละมืด จะให้ทานรักษาศีลภาวนาอะไรในทางองพุทธศาสนามุ่งเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารสิ่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องมุ่งในเรื่องอื่นมายุ่งพระสวัดิวันมุ่งหวังเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารสิ่งเดียวผูกขาดเลยจะทําน้อยหรือทามากก็ตามามีความหมายอันเดียวเท่านั้นบางท่าน มีคําสอดเข้ามาว่าไม่ปราฐถนามนุษย์สมบัติสวัสด์สมบัติดอกหรือเราต้องการไปกรุงเทพเราก็ไม่ต้องปาฐธนาว่าจะข้ามโคราชแต่หุ่นทางมันอยู่นั้นมันต้องไปเองเราไม่ต้องการจะปาฐธนาข้ามสระบุรีออหรืออยุธยาแต่หุนทางมันไปนั้นมันข้ามเองมันชั้นใดก็ดีเมื่อต้องการพ้นทุกข์ในวัตฏสงสารกับต้องการพระรหัน กับต้องการทาอันไม่ตายกับต้องการพระนิพพานก็มีความหมายอันเดียวกันพูดจิตสูงใจสูงําสูงไปแล้วมองดูชาติความเกิดชะลาความแก่มรณะความตาย ขยาที่ความเจ็บไข้าตาธนาไม่ได้สมหวังสังขาร ย, ยัดเยียดเต็มโลกผู้จิตสูงใจสูงก็ไม่ไห้ใจในวัฏสงสารจิตใจโอนไปเอ็นไปโน้มไปในทางพระนิพายที่พ้นที่สุดทุกโดยชอบตอนนั้น ไม่อยากจะมาถูกแพ้ความหลงของตนอีกอยากจะชนะต้องการอยากชนะความหลงของตนอยู่ทุกเมือ่อต่อสู้กับความหลงของตนอยู่ทุกเมือ่อไม่นอนใจในความหลงของตนอยู่ทุกเมือ่อจะข้ามทะเลหลงรัดนิ้วมือเดียวเชื่อวินาศวินาทีเดียวในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรม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 ว่านความสงสัยทางปวงในดินในน้ําในไฟในลมไม่อาะไรถอนอะไรโดยเร็วพลันเพราะเห็นภายในความหลงที่เคยยึดถือมาว่าจะเป็นแก่นสารเมื่อเห็นสิ่งทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่มีแก่นสารในทางที่มีวิญญาณคลองสิงและไม่มีวิญญาณครองสิงเนี่ ถึงแม้จะติดอยู่ในวัตถุสมบัติเพราะวัตถุสมบัติมันมีสองประเภทวัตถุสมบัติที่มีวิญญาณของสิงบ้างไม่มีวิญญาณของสิงบ้างเช่นที่ดินเลือกสวนในนาขาวนุน่งข้าวห่มเป็นต้นเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคเป็นต้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณที่นี่ในส่วนที่มีสัตว์สี่เท้าสองเท้าเป็นของที่มีวิญญาณ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 อยากจะพยุงจิตใจให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกด้วยเสมอๆ อ, อยากจะข้ามความเห็นชนิดนั้นไปด้วยแต่ไม่ประมาทก็ได้ใช้ได้สอยอยู่แต่ว่าไม่ติดอยู่ในเพียงแค่นั้นชีเรือข้ามฟ้าก็ไม่ประมาทในเรือแต่ว่าไม่นอนใจในเรือ ชั้นในกรณีปัจจัยสี่จีวนมิทธบะเชนาสนะและเพศสัตตลอดถึงคารวาทและพิษุสัมเณีก็พยายามไมาให้จิตใจติดอยู่เพียงแค่นั้นถึงจะมีน้อยกาตามจะมีมากกาตามมีน้อยกายกให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาสีะมีมากกาน้อมเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาไม่ถือว่าเป็นของเราที่เราก็เบาใจทีนี้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 หรือว่าเป็นน้ำลายของพระอริยเจ้าท่านคายไปแล้วท่านไม่อะไรท่านไม่มาเป็นส่วนแบ่งแยกพวกเราอีกเหตุฉะนั้นจึงลงความเห็นว่าทรัพย์ในไตรโรกธาตเป็นทรัพย์ของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ พระธรรมคือโลกุตละธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระญาทรงเจ้าหมดเพราะท่านเหล่านั้นวางไปแล้วเพราะเห็นว่ามาันเป็นเปลกแ ก, แกนสารจะเอาเป็นที่พึ่งอันกเกษมไม่ได้เพราะอยู่ใต้อำนาจอานิจจังเกิดขึ้นแน่ก็แตปกวนแ้ะแตกสลายไม่อยู่ในอำนาจของใครทางนั้น เมื่อสังขารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งที่มีวิญญาณและ ม, ม่มีวิญญาณอยู่ใต้อํานาจอนิจจ์จิตใจของท่านผู้ใจสูงท่านสอนตัวท่านอยู่ทุกวันทุกวันทนีมันก็นับวันห่างวันเหินไกลออกไปจากวัฏจัสงสารทุกทีทุกทีทุกทีทกท ยางที่ติดอยู่ก็นับวันแะลาลายออกไปยางคือจัญหาคือความเทเยอทยานในวัฏจรสงสารก็นับวันถอยออกถอยออกล่างออกล่างออกพระถูกยาโอสดล่างโอสถาอุตมังวลังในพระพุทธในพระธรร ม, ใ น, รรมในพระสงฆ์ เขาถูกปัญญาทำลายความหลงถูกกองทับปัญญากองทับสติกองทัพศีลสมดุลกันกองทัพสมาธิสมดุลกันในขณะเดียวเพราะศีลสมาธิปัญญาญาตกย า, กาไปเสมอๆกันคล่ า, ากับเดินเดินเรือเรียงตัวกันหน้าเดินศีลก็ออกก้าวสมาธิก็ออกก้าว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 ความอบอุ่นแห่งธาตไฟก็สมดุลกันอยู่ความช่องว่างมีลมพัดไปมาข้างนอกและข้างในก็สมดุลกันอยู่ในขณะเดียวกันเราพิ่แกนาศีลศีลจึงจะมีเราพิ่แกนาสมาธิสมาธิจึงจะมีแล้วพิจากนาปัญญาปัญญาจึงจะมีความเป็นจริงศีนสมาธิปัญญาอยู่ด้วยกันพอจับถูกศีนก็จับถูกสมาธิพร้อมกัน ก็จับถูกปัญญาพร้อมกันสติพร้อมกันฉันใดก็ดีพอจะหนังก็ถูกเมื่อถูกเอ็นถูกกระดูกเหมือนกันมีความหมายอันเดียวกันอันนั้นเราภาวนาเดียงแบบเฉยๆดอกนั้นสินสมาธิปัญญาจะทากกันไม่ได้พระพุทธธรรมประสงค์ก็จะทากกันไม่ได้อืมเมื่อพูดถึงหน้าถึงตาแล้วพิจารณาเห็นหน้าแล้วก็เห็นตาด้วย ก็เห็นจมูกด้วยเมื่อเป็นดังนี้ก็ทั้งหน้าทั้งตาทั้งแถบจมูกก็รวมกันเป็นหน้าแล้วไม่ใช่ว่าเราเห็นอันไหนอันนั้นจึงจะมีมีอยู่เหมือนกันเช่นเราพิจารณาดินดินก็มีอยู่ก่อนเราเราแล้วเราพิจารณาน้ามํามก็มีอยู่ก่อนเราแล้ ว, ลวถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ก่อนที่เราพิจารณาเราก็พิจารณามไม่ได้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 ต้องดูนกันอยู่จะ แ, แยกกันไม่ได้แยกกันให้เป็นเอกเทศไม่ได้แยกพอให้รู้จักความหมายพอยากได้เช่นเรานับหนึ่งนับสองนับสามก็เหมือนกันหนึ่งสองสามีอยู่ก่อนนับแล้วเราจึงนับได้ถ้าอย่างนั้นมันก็เราก็นับไม่ได้ เมื่อเราย่นศีลลงมาเป็นหนึ่งสมาธิก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งปัญญาก็ย่นลงมาเป็นหนึ่งในปัจจุวันเท่านั้นไม่ต้องคว้าหาในทางอื่ น, นเวลาเรากำหนดลงเข้าก็คือศีลเพราะตัดศีลลงในลงเข้าก็คือสมาธิเพราะตั้งมั่นเห็นในลงเข้าก็คือปัญญาพเพราะรอบรู้ในลงเข้าลมออกก็เหมือนกันกรรมฐ า, านผมคนเล็บฟันก็เหมือนกันมีอันเดียวกัน เราตั้งจิตพิจารณาร่างกระดูกก็ตัดสินลงในเกิดร่างกระดูกสมาธิก็ตั้งอยู่ในในล่างกระดูกปัญญาก็รอบรู้ในกระดูกก็มีทั้งศินสมาธิปัญญาเราพิจารณาความตายก็เหมือนกันก็มีทั้งศินทั้งสมาธิทั้งปัญญาสมดุลกันอยู่ ที่เราภาวนาก็คือเราจะรวมบุญมาไว้ในที่แห่งเดียวบุญในชั้นภาวนาก็สงเคราะห์ลงในปัจจุบันพยานเอกปัจจุบันเป็นพยานเอกเป็นอาจารย์เอกปัจจุบันนกิจปัจจุบันนธรรมเป็นอาจารย์เอกปัจจุบันนกกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นเอง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 มนุ์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลได้แก่ฉะกามาภัจระหกชั้นพรมโลกได้แก่รูปประพรมสิบหกชั้นอรูปประพรมสี่ชั้นอีกสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนนจังเสียแล้วอั น, นจังเป็นผู้ปกครองเสียแล้ว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 ในโลกทลั้งปวงสิ้นความสงสัยในชาติทั้งปวงในพบพภพทั้งปวงในสิ่งที่มีวิญญาณของสิงทั้งปวงก็เรียกว่าเรารอบรอบโลกแล้วแล้วเที่ยวเตรรอบโลกแล้วนั่งอยู่บรรลังเดียวเราเห็นรอบโลกแล้วเพราะเราเห็นอนิจจังชัดเพราะเราเห็นทุกชัดเห็นทุกขณะจิตหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้วเห็นอนิจจังขณะจิตหนึ่งก็เห็นรอบโลกแล้ว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 ถ้าเราเห็นชัดๆด้วยพระปัญญาของเราด้วยพระสติของเราที่เราจะลืมตัวในวัฏจะกสงสารจนเหลืองเจิ้งมันจะมาจากประตูไหนทีนีมันก็ไม่สามารถจะรวมพลมาได้ถึงจะมีอยู่ก็รวมพลไม่ได้ต้องแตกกระจิยด้วยพระปัญญาอันตรีตีแตกกระจิยอยู่ทุกวันทุกคืน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 ความหลงทางปวงย่อมไม่ชนะพระอริยะเจ้าอริยะ เ, เปรอผู้ประสูตรย่อมถูกแพ้แพ้ชนะในทางโลกไม่มีแต่โลกเอามาใช้กันแพ่ชนะในทางพระพุทธศาสนาก็หมายถึงแพ้ความหลงของตนแพ้กิเลสของตนก็แพ้ความหลงของตนก็มีความหมายอันเดียวกัน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 ลมหายใจเข้าข้างหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งคือในส่วนรูปขันขณะจิตที่นึกขึ้นท่องก็ลมเข้าลมออกก็เป็นโลกฝ่ายนามรอบหนึ่งคณะจิตที่บัญยัติว่าลมลมก็เป็นโลกฝ่ายนามรอบหนึ่งแล้วเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเขาว่าโกก็โกกับเขาเขาว่ากระบือก็กระบือกเขาเขาว่ากูก็กูกับเขาเขาว่ามึงก็มึงกับเขา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 ผู้รู้จะละเอียดสักเพียงไหนก็ตามก็ให้จบเพียงผูรู้เท่านั้นผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในปัจจุบันก็คือสังขารอนาันละเอียดนั่นเองไม่ใช่อันอื่นใครเลยก็คือชาติภพอนันละเอียดนั่นเองถ้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตรูเป็นบุคคลก็เป็นชาติอนันละเอียดเป็นภพอนันละเอียดเหมือนกันผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ปัจจุบัน เหตุฉะนั้นท่านผู้พ้นไปแล้วท่านจึงจึงไม่ได้ติดอยู่ในผู้รู้ทั้งสามกาลทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอนาคตท่องด้วยทั้งปัจจุบันด้วยจะรู้ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์ท่านก็ไม่ติดอยู่จะรู้ว่าสมมุติหรือไม่สมมุติท่านก็ติดไม่ติดอยู่ในผู้รู้ก็เป็นแต่สักวารู้เหตุฉะนั้นยันยามปฏิสนทิของท่านผู้หลุดพ้นไปแล้วจึงไม่มีรอย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 ใจนั่นแลนนะไม่ได้ท่องเที่ยวใจเดียวทำเดียวอยู่นอกเหตุหมดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาตอยไม่มีรอยทำเหล่านี่เกิดมานานแล้วแต่พี่จะนา ม, มานานแล้ว ปัญหาที่ต้องการอยากจะอยู่ในโลกอยากจะสืบมรดกเกิดมรดกเก่มรดกเก็บมรดกตายมรดกปรโยกพัดค่ามรดกทุกหนาวทุกร้อนทุกเย็นทุกหิวทุกอยางมรดกเหล่านี้ถ้าเราไม่สืบเขาก็สืบกันอยู่แล้วแย่งกันอยู่แล้ว มรดกที่อยากจะเว้นสิ่งเหล่านี้เป็นของสําคัญมากเป็นของพระอริยเจ้าจำพวกเดียวไม่ใช่ของพุทธชนคนหนามรดกเกิดพวกเราสืบมาหลายชาติหลายภพแล้วมรดกแกะพวกเราสืบมาเล้มรดกเก็บมรดกตายมรดกปัทนาไม่ได้สมหวัง พวกเราเคยรวยมาแล้วรวยความทุกข์ถ้าสอบในสนามหลวงก็ไม่ตกด้คะแน น, นเอกหมดทุกทุกท่านคะแนนทุกในวัดตาสงสารในป ร, ริญญาอีกทุกทุกท่านทุกๆุกตัวสัตว์ด้วยการมาท่องเที่ยวในวัดตาสงสาร การมาท่องเที่ยวในลุมทานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันการมาเกิดในวัดตาสงสารมาเกิดในลุ่มทานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันการมาแก่ในวัดตาสงสารก็แก่อยู่ที่นอนอยู่ที่ลุ่มทานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันเจ็บก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันรวยก็เหมือนกันไม่รวยก็เหมือนกันรวยก็รวยอยู่ในลุมทานเพลิงจนก็จนอยู่ในลุ่มทานเพลิง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 กดิยานียีินี่ผู้มีอำนาจวาสนาสร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วจะทำให้เป็นคนตาบอดมันก็ทำไม่ได้ไม่รู้อีหนุ่ยอีหนี่ไม่รู้ไม่ไม่รู้มไม่ซี่อะไรลนะมันก็ทำไม่ได้ดอกบัวที่มันจะบานอยู่ เราจะทำให้กลับเป็นตูใหม่หรืออยู่ใต้หน้าก็าทำไม่ได้มาขาดีมันวิ่งได้หนทางหลายโยนแล้วจะมาลบ มันว่าไม่ได้หนทางเลยกียโยต์มันก็ลดไม่เป็นถ้งไม่เป็นความจริงด้วยเ <s> ห็นภทยในวัตตารสงสารวัตจารสงสารภายในคือหนังหุ้มวัตจารสงสารภายนอกคือหนังหุ้มสัตว์อื่นบุคคลอื่นในส่วนรูปคัน ในส่วนนามขันเวทนาสัญญาสังขารเงิน ญ, ญาณก็เป็นลุมทานเพลิงแต่และอันละอันละอันถ้าใครไปรยึดถือเอาเป็นเจ้าของสิ่งนั้นก็เสียบเทลงปัญจขันธาปัญจขันรูปขันโทรูรปขันเวทนาขันโทความสวยอารมณ์สุขทุกุเบีคหา สัญญาขันโธความจำรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมาลงวิญญาณขันโธจะากูวิญญาณโสตวิญญาณขานะวิญญาณชิวหายวิญญาณกายะวิญญาณมนุวิญญาณสิ่งเหล่านี้เป็นล้มถ่านพึงมาโลปาปิบะเป็นมานรูปเป็นมารชนิดหนึ่งขันเป็นมานรูปขันก็เป็นมานเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณก็เป็นมานท่านทั้งหลายจะรู้จากมานนะ ดุดมืนดังหัวฝีพระบรมศาสดาเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายเธอได้สวยเวทนาใดเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเป็นอุเบกขาก็ดีเธออย่าไปยึดมั่นเธอมั่นเนอ้อโมกลณาสาลีบุตรเอ๋ยเพราะเป็นเสี้ยนหนามเพราะเป็นไผยเพราะเป็นมารขันธมารมารคือปันจะขัน ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณ น, นี่เองเวทนานามา น, นี่เองเวทนาสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเมื่อเกิดมาหาพวกท่านเมื่อท่านในสวยสุขก็ดีสวยทุกข์ก็ดีสวยอุเบกขาก็ดีในส่วนกายยกะสุขทุกทางกายก็ดีกายยกะทุกทุกทางกายก็ดีเยตสิททุกทุกทางใจของพวกท่านอย่าให้มีเนื้อพระบรมศาสด า, าอย่าไปยึดถือเนอื้อ ให้รู้ตามเป็นจริงสุขก็เป็นแต่เสสวกว่าสุขทุกข์ก็เป็นแต่สักว่าทุกข์อุเบกขาก็เป็นนาะแต่สักว่าอุเบกาอย่าไปยึดถือเนาให้รู้ตามเป็นจริงนะปล่อยวางตามติตกำลังถือใครทั้งหลายจะไม่มาหาพวกท่านชาติชราพยาธิมานะจะไม่มาหาพวกท่านพรกท่านจะข้ามโลกพราท่านจะข้ามความหลง ตัมโวลมาซาสตามหัมนานสำหรับผู้ที่มีปัญญาสูงเธอภาวนาไปเสวยสุขเาเวทนาก็ดีเธออย่าไปติดอยู่เนอะตัมโวมาซาสดาพระนาคามี <c oughs> ติดอยู่ในสุขเาเวทนาภาวนาไปเป็นสุขแล้วก็ติดสุขเาเวทนา เบือ้อนายนะอันนั้นเระก็หลุดพ้นเป็นพระละหันมีอุปทานอยู่ในที่นั้นเแค่นึกอะไรก็เพลินเกินกว่าเหตุยินดีในบุคคลบางคนหรือพัสดุบางสิ่งทารณากามีส่วนพระละหันไม่มีเลยมองรูอะไรก็เป็นแต่สัพพะธาตุาทําวัคันเท่านั้นทั้งอดีตทั้งอนาคต ด, ด้วย แล้วที่นี้สงสัยอะไรก็ถามไปทีนี้ขอให้พากันภาวนาให้คุ้มค่าค่าโดยายให้คุ้มค่าวันตุษจีนเออมีนิดหนึ่งค่ะจะเารย์ถามปู่ค่ะ ค, คือเรื่องสัมมาวาจานะคะเออมันก็เป็นตอนหนึ่งของการเขียนพระสาวดุสสรดาบันเนี่ยอันนี้ถ้าเราขาดเรื่องสัมมาวาจานคือบางครั้งเนี่ยพูดทพ่อเจอไปบ้าง หรือที่จติยังคิดไม่ทันเลคะ่ะมีคนก็ตักเตืนถึนงการเป็นพระาขธรรมนะคะไม่มีการกระทบกกระทือนดนอเพราะนิสัยและวาสนานั่นมันละไม่ได้พระอริยะเจ้ามีพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าละได้องค์เดียวบางท่านข้างพระพุทธการก็พูดถ้าคนอื่นไปเห็นก็คาดกว่าจะพูดเพื่อเจ้อวาสลิวาสริวาสริวาสลิ วาสลวาสลคือคนถอยพูดอยู่อย่างนั้นแ่ะวาสลิวาสลิวาสลิเอ๊ะพระนันท์นทำไมถึงบริกา ร, รอย่างนี้เออนิสัยอันนั้นมันละไม่ได้ท่านเคยเป็นคนถอยมานะชาติไหลายภแล้วท่านก็เลยเช็ดหลาบท่านเลยออกไป็นมูธาน นิ์ัสยและวาสนาเนี่พระบรมศาสดาละได้ส่วนสาวกละได้แต่กิเลสเท่านั้นสาวกสามกละได้แต่กิเลตเท่านั้นวาสนาละไม่ได้ก็มีปัญหาเกี่ับตัวเองคือว่าบางครั้งชอบพูดเล่นนะคะกับเพื่อนูงกับใครก็ตามเลยนะคะก็หนึ่งไปหาจิติัก็เลยคิดว่า จะเรียนแก้นี้แต่ก็พอแก้เรียกยากแก้เรียกยากรอจาน้ใจแก้เรียกยากเหมือนกันพอชุบเน้นพูดเชอพูดเล็กตัวนี้แต่ว่าความคิดเพื่อนที่สั่หาเพื่อนนั่นเองก็มีความหมายเช่นนั้นเพื่อให้เพื่อนเป็นที่พอใจนั่นเองก็ ม, ไมีไดามหมาย่นนั้น่ให้เพื่อนเป็นที่พอใจนก็มีความหมายเช่นนั้น เพื่อนผู้ฟังเป็นที่พอใจเป็นเีเพลินใจเท่านั้ น, นแต่ไม่ถึงกับบ้าเลยเถิดเอเพราะมันมีสติอยู่ก็เป็นไปตามนิสัยเท่านั้นเช้าเรียบุญเดินไปพอไปถึงคลองเล็กก็กระโดดข้ามเลยคลองเล็กนิดเดียวพอก้าข้ามกไม่เ้าเลย เต้นขยับเลยถฮ้พระ น, นริยเก้าทำไมเป็นอย่างนี้เขาก็สงสัยประกาศืวนพระวรุ ม, มาอัจฉริยเออนิสใสของเธอเคยเป็นเรียงอะไรบ้างรับกระโดดช อ, ชอบเต้นชอบโหนนินสัยนั้นติดมา